ความเพียเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเด้๋ยคราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าคําของใครหนอเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรคําของเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้นนั้นแต่เธอทั้งหลายจงฟังคําของเราหากมีคําถามว่าปาโคสิงคาสารวัน จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเราจะตอบว่าสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากปินทบาทภายหลังชันพัตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นและไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจะไม่ทำลายบันลังนี้เพียงนั้น สารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาโคสิงคสูตรที่สองจบ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. ไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค 3. ไม่กำจัดไข่ขาง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำา 7. ไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจาฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งในโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการข้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพ่โบลในธรรมวินัยนี้ได้ ทำสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำา 7. ไม่รู้คำที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ้า ไม่ฉลาดในโคจรสิบรีดนมไม่ให้เหลือสิบเอ็ดไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตันยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง พิสุไม่รู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาพูทธ ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูทธ ร, รูปสี่พิสุเป็นผู้ไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้แล ภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แหละ พิสูจไม่คาจัดไ ข, ข่ค้างเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทําให้สิ้นสุดไม่ทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปรับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บันเทาไม่ทําให้สิ้นสุด ไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุไม่กำจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แหละิิษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสี ซึ่งเมื่อไม่สมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้ไม่รักษาจากขุนสีไม่ถึงความสมรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสมรวมในมณนีศีซึ่งเมื่อไม่สมรวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกาบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้ไม่รักษามนณีศีไม่ถึงความสำรวมในมนินีศีภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละภิกษุไม่สูมไฟเป็นอย่างไร คือพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแกคนอื่นโดยพิดารภิพิุไม่สมไฟเป็นอย่างนี้แลพิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาพิกษุผู้เป็นพระหูสูตร ผู้เรียนจบคมภีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทําให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้น ภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างนี้แหละภิกษุไม่รู้ธรรมที่เดิมแล้วเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบปลื้มอิงอัดไม่ได้ความปราบปลื้มอิงธรรม ไม่ได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรมีองแปดตามความเป็นจริง ภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในโคโจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัสติปฐานสีประการตามความเป็นจริงภิกษุไม่ฉลาดในโคโจรเป็นอย่างนี้แล ภิสุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิสษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบินบาทเสนาสนะคิลานปั จ, จัยเภสั์บริการที่ผู้ข้าบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกสุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แหละ ภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญยู์เป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญยู์เป็นผู้บวชนาน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 ทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แหลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูนในธรรมวินัยนี้ได้นายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. รู้รูปโค 2. ฉลาดในลักษณะโค 3. ากำจัดไ ข, ข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำ 7. รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมให้เหลือ 11. บบูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่ง นายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลจึงเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกสุทั้งหลายภิกสุประกอบด้วยธรรม1ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม1ประการอะไรบ้างคือภิกสุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. รู้รูป 2. ฉลาดในลักษณะ 3. กำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำา 7. รู้ธทมที่ดื่มแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในโคจร 10. รีดนมให้เหลือ 11. บ, บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตตันยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งภิกษุรู้รูปเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาพุทธรูปสี่ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ภิกษุรู้รูปเป็นอย่างนี้แล mm. ภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนผานมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะ ภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุกำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุกำจัดไข่ขังเป็นอย่างนี้แลภิกษุบกปิดแผลเป็นอย่างไร คือพิสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษาจากักขุนสี่ถึงความสํารวมในจกักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะะทางกาย รู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษามนินทรีถึงความสำรวมในมนินทรีภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แล ภิกษุสูงไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุส้งไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราบปลื้มอิงอัจ ได้ความปราบปลื้มอิงธรรมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่สถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่เดิมแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แหลภิกษุฉลาดในโคโจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสติปัฏฐานสี่ประการตามความเป็นจริง ภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวอนบินทบาทเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศสัตบริคารที่พวกข้าพดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะ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 เือิกษจในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิสษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดน์เป็นสังฆปริณายกภิสษุบูชาภิสษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดนเป็นสังฆปริณายก ด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหลภิกสุทั้งหลายพิสุประกอบด้วยธรรมส1ประการนี้แหละเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัพยสิทธิตนี้แล้วพิสุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ มหาโคปาละสูตรที่สาจบ 4. จูละโคปาละสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้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 เป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในสาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้นฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหนะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าครั้งนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาตในแม่น้านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะนายโคบาลชาวแคว้นมะคตนั้นเป็นคนโง่ามาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโนดแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนายโคบาลผู้ฉลาดภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคตเป็นคนฉลาดมาแตก่กำเนิดในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝน พิจารณาฝั่งนีและฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณนะสถานที่ที่เป็นท่านายโคบานนั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้น จึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไป โคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสะแม่น้ํำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสะแม่น้ําคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบานชาวแคว้นมาคตนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กําเนิด ในศาสตร์สมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ใช่ท่าชันใดสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ชันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมาร ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกะธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนาน ฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราโคผู้ที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉั้นใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีนาศก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลาดับแล้ว สิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าไหวตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ไหวตัดกระแสมแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภาคยสังโยทห้าประการสิ้นไป จึงปรินิพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าไหว้ตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคหนุ่มและโคสาวไหว้ตัดกระแสมแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชสานประการสิ้นไป และเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเราลูกโคที่มีกำลังน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ชันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสังโยชสามประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัศธานุสารีก็ชื่อว่าจากไหว้ตัดกระแสมานข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกรธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมานฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมานฉลาดในเตภูมิกรธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า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 ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมดปราธนาธรรมอันเป็นแดนกเกษมเถิดจูละโคปาลสูตรที่สจบ 5. จูละสัจกะสูตร ว่าด้วยสัจกะนิครนทบุตสูตรเล็กอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเคครุงเวสาลีในสมัยนั้นสัจกะนิครนทบุตอาศัยอยู่ในครุงเวสาลีเป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้ต่อวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสถทานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลาจากรักแร้ เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้อตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสานั้นโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาะสทุกสถานวันไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยครั้นในเวลาเช้าท่านพระอัชชิครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีสัจกะนิครนทบุตร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 ท่านพระอัชชิ ต, ตอบว่าอัคคเวชณนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตา สัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปว ง, งไม่ใช่อัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปว ง, งไม่ใช่อัตตาพระผู้มีพระภาคทรงแนะนําสาวก ท, าทั้งหลายอย่างนี้และคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ศาจกะนิครนเบุตรกล่าวว่าท่านพระอัศชิ ข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้ชื่อว่าฟังเรื่องที่ผิดทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณะโคดมนั้นและสนทนากันสักครั้งทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลดเรื่องพระสมณะโคดมจากทิฏฐิชั่วนั้นได้